แม้การศึกษาและการปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งจิตของเราไว้เพื่อที่จะรู้ตามเพื่อที่จะเห็นตามเราก็จเจริญงอกงามในคําสอนของพระองค์อยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดแม้แต่นิดเดียวสิ่งนั้นก็เป็นโทษนะนะสิ่งนั้นก็ไม่ไม่เป็นคุณแก่เราเลยบรราตั้งจิตอย่างไรที่จะรู้ตามเห็นตามคิดตามพิจารณาตามใส่ใจตามคําสอนที่สุดเท่าที่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 นี้พอดูไปมากๆดูไปสักสิบกว่าปีเนี่ยนะก็มานั่งนึกมาเอ๊ะเมื่ อ, อไร่เราจะได้ใช้บ้างเนี่ยนะก็นึกว่าความคิดก้าวหน้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่าเออเมื่ อ, อไหร่เราจะได้ใช้อ่าพระพุทธรัตนะอย่างนี้บ้างพระธรรมรัตนะนะถ้าสังขารัตนะเรียกว่าประดับด้วยเคิดว่าใจของเราประดับด้วยพระรันตน์ไตรยและที่สําคัญต่อไปใจอย่างไรเนาะใจของเราจะประดับด้วยสติปัญญาสัมมปัญญาอิทธิบาทอินทรีย์และภาระ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้อยคําที่ใช้เกินร้อยคาคือคําว่าตั้งจิตสมาทานศึกษาอธิษฐานเกินร้อยคาสัเลขธรรมนี่ก็มีสี่สิบสี่ข้อเลยใช่ไหมอย่างอื่นๆ อ, อ, อีกเยอะแยะเลยอนนอนุมาในสูตรก็สิบหกข้อที่เกี่ยวกับเรื่องตั้งจิตทั้งนั้นอังคุตรานิการเอกานิบาตอีกหลายสูตรในพระสูตรอื่นๆ อ, อ, อีกหลายสูตรสรุปว่าเป็นร้อยสูตรเพื่อจะมาให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิต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 แต่จริงพระองค์ปรินิพานวันวิสาขานะแต่ว่าผู้ธรรมดาเนี่ยโดยการเรียนของเราทั้งหลายก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ดับขันทปรินิพานเพราะวันดับขันทปรินิพานเนี่ยก็ถือว่ามรดกจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ถูกจบดูจากวันนี้แหละว่าเมื่อพระองค์ใช้คําว่าปรินิพานปั๊บเนี่่เรามีอะไรมั่งเราได้รับอะไรมั่งเนี่ยนะรับอะไรจากคําสอนมั่งหรือเราตั้งจิตไว้ที่จะรับอะไรจากคําสอนบ้างไม่อย่างนั้น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 อันนี้ควรละเนี่ยนะไม่ควรให้เกิดความคิดเหล่านี้เลยสูตรนี้ดีกว่าสูตรนั้นสูตรนั้นดีกว่าสูตรโน้นเป็นต้นดูหมิ่นสูตรนี้ตำหนิสูตรนั้นเป็นต้นเดี๋ยวกล่าวต่อไปว่าทำที่พระองค์แสดงไว้เป็นาศาสดาของพวกเราเราจะไปบอกว่าเออสูตรนี้ไม่ดีอย่างนั้นเป็นต้นพยายามตั้งจิตที่จะรับรู้ใส่ใจที่จะเจริญในคําสอนเพราะว่าจิตเหล่านี้นี่แหละจะพ้นทุกข์หรือจะตกสู่ความทุกข์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 นะคนที่อายุยืนพอสมควรก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีเห็นไหมค่าเฉลี่ยนะหมายก็ว่าอาจจะเกินบ้างหรือว่าต่ํากว่าบ้างก็อยู่เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีในช่วงเจ็ดิบห้าปีเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยนะหนึ่งในสองเอ่อหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่อยู่กับการหลับนะนะอยู่กับการหลับนอนอ๋อะนะ